ฟังตามกันศิษย์สองและปฏิัติอย่างต้องฟังด้วยดียอดได้บัญญาถ้าฟังไม่ดีก็ได้ปัญหาการฟังธรรมเป็นองคคนันหนึ่ง ในมงคลสามสิบแปดประการก า, ารศึกษาทำตามการเป็นมงคลนั้นน่การเมื่อพบผลผ่านก็เป็นมงคลการพบบัณฑิตก็เป็นมงคลการบูชาถึงเรื่องบูชาบุคคลเรื่องคนบูชาก็เป็นมงคล เราเอาจากกายจากใจเรานี่ประจำมนทั้งสามสแปดประการอยู่ในกายในใจเรานี่ไปสร้างมงคลให้ในความเจริญแก่ก็ชีวิตของเรามงคลเหล่านี้เกิดขึ้นในมนุษย์เกิวดวิาณงานพรมในโลกแต่ถ้าใช้ชีวิตไม่เป็นก็เป็นอัระมงคล เป็นทุกเป็นโทษได้จงศึกษาบ้างดังโบราณท่านว่าตาบออกจากบ้านก็บอกหงหอมทางใจพอศึกษาเราเลี้ยนกระบอกแม่พร้รอมลูบเลี้ยงบางให้ลูบแฉลบเลี้ยงหกอยู่ นี่ลูกวชิร ล, ละถึงแสนี่ลูกกระเปาด า, ายเวลาสายเกอดปาจะลังรอคพายต่วันจะสายตลาดจะไายสายบวจะเนา่าเปคนคดในท่ำตนเป็นเพิงโตเยื่นก็ไปเมื่อลเล็กแล้วหน่อยนักก็ไดินไงสูงวกิลงจินหางาย เพื่อนลองตายหายากคร <c oughs> บันตริตไปหาผลพบผลทานไปให้ยากจนเราเลือกได้ให้โลกด้วยตอนนี้ตอนนี้โหตอนนอกก็เลือกได้เมื่อมาถูกกับเราภายใ น, นเราก็เลือกได้ ชีวิตเนี่นเลือกได้ดลือกเอาความดีได้ในที่เดียวกับ น, นี้่ดย ใ, ใจนี้ในี้ความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจก็ไม่ทุกข์เกิดขึ้นที่ใจได้ความปวดเกิดขึ้นที่ใจความแย่ปวดก็เกิดขึ้นที่ใจได้ดเหมือนคนเจอดอกเดียว เปิดก็ได้ปิดก็ได้ถ้าคนหนอยู่คนละที่ไม่ใช่ตัดจัดทำตัดจัดรมต้องอยู่ที่เดียวกันจิงกินตัดจัดตังตราาะการดร้วยการทำไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่อยู่ที่อื่นเมื่อมีคาม้างเจริญอมีความไม่เจริ อยู่ด้วยความเจ็บ น, น, นั่นเมื่อความเจ็บก็มีความไม่เจ็บอยู่ในความเจ็บ น, นั่นเมื่อมีความตายก็มีความไม่ตายอยู่ในความตาย น, านั่นถ้าหากดีๆจเห็นช่องทางจง ม, มีสติเป็นดวงตาภายในฝึกกายฝึกใจของเราเราก็มีกายมีใจ นิสติเป็นครูของกายของใจสอนกายสอนใจครูของกายของใ จ, ง น, จททงนิสิติสองประชันยะไมาใช่ครูแบบฝึกพละฝึกกีฬาฝึกมวยฝึกงานการต่างๆแต่นั่นเป็นอันหนึ่งนอกไปนอกกายนอกใจไป ยังเป็นไปไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความอ ง, งไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานรู้แต่ยังใช้ไปได้แต่นจังต้นคู่กับกายกับใจเวลาใจมันคิดอะไรให้รู้สึกตัวซานจะไปตามความคิด จะชิดได้ทุกอย่างมาได้ให้หีสตรีาจิตกลับบ้านบ้านของจิตคือรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวก็ปกติบ้านของกายคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวคือปกติก็เหมือนกับจิตอยู่บ้านรายอยู่บ้านจิตเป็นตัวนำให้ากายให้ใจกลับบ้าน ไม่ใช่ตาเช่หูไม่ใช่เครื่องมืออืนอ่นๆสติตังหาจนกันรักษากายเจให้เรียบร้อยปกติก็เป็นถีนแล้วแต่นี่ไม่มีใครพาไม่ <c oughs> มีอันใดพ า, พากายกลับบ้านพาใจกลับบ้านบ้านเป็นชีวิตที่ ท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารเวลานอนก็เที่ยวจิดโน่นชิดนี่ฝันไปนอนก็ฝันไม่ได้อยู่บ้านจิตนั่นตายก็ไม่กลับบ้านก็เหน็ดเหนื่อยเวลาวางทีก็เบ็นโลก หัวใจล่มเหลวตายต่ขณะที่นอนนั่นเหนื่อยเมื่อเวลานอนคิดมากฝันมากเมื่อมันเหนื่อยเวลานอนเพราะความคิดพำให้เป็นทุกข์หนกักร่อไป่มีเครื่องไม่มีเครื่องทุ่นแรงให้หัวใจเต้น เมื่อไม่มีเครื่องชุนเืองให้หัวใจเต้นหัวใจก็ล่มเหลวเราเป็นเช่นนั้นเมื่อหัวใจล่มเหลวควรจะปั้มหัวใจคนอื่นปั้มหัวใจเส้นหมอบมือกดลงที่หัวใจเขย่าเขย่าเขย่าให้มีืองปั้มหัวใจเคลืนมาให้หัวใจทํางาน ได้แต่เวลานอนไม่มีเครื่องทุน้นแรงหมดกําลังเหนื่อยเมื่อยละแต่ว่าความเหนื่อยทางใจยังมีอยู่ก็เลยหมดแรงทางกายหัวใจก็ทํางานไม่หวดำไม่ไหวเมื่อหัวใจไม่ทํางานไม่ไหวเลือ ด, ด, ดก็เร่งยิ่ง มือเลือดมันเวกอยก่าเลือดอุดตันตายไปเป็นโรคหัวใจวายตายเวลานอนหลับเพราะเหตุนี้ ไ, ได้ยาไปรักษาบางทีก็ไม่ตางนอนหลับหัวใจวายหันจะล้มเหลวก็มีเหนื่อยมากคิ ด, ด, ด, ด, ด ค, คิดิดคิดคิดราบเป็นสุขเห็นทุกข์เรวงคิด เพระมันใช่ไวเป็นก็แต่เกินมาม่แต่คิดทั้งนั้นเพราะมันมีโลกมีลสของโ ล, ก ใ, ล, ก, โ ล, งลกให้คิดไปในลูกมีรสในกลิ่นมีเสียงลองให้คิดเยอะแยะไปวันเลยเดี๋ยวนี้ยังมีรถวิทยาศาสตร์เสียงวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ การสัมผัสในวิทยาศาสตร์หลอกให้กายให้เจหลงว่อยาฟังก็โดยฟังมันบังคับให้ฟังบับดังมากเรื่องขยายเสียงห้ารอยวัตต์หนึ่งพันวัตตู้เท่าฉลาเด้บังคับในคนฟังบังคับในคนเต้นบังคับในคน หลงถ้าไม่เก็หลงไปต่ำโลกตรองฟาดยาวเทียมบังคับใป็นคนหลงเดี๋อสอนงวนชนตอนเดอนภาพก็ไม่นั้ำตาน้ำลายไหลก็มีเห็นภาพน้ำลายไหลโอจะาสอนให้คน หลงก็จะได้ประโยชน์จากคนหลงในโลกนี้แต่เราไม่ศึกษาก็จะตกเป็นทาสความหลงมาตกเป็นทางความหลงคนที่ได้ประโยชน์เองเป็นตลาดฮะเงินจากคนหลงโูดตี้ดเราใช่เอาเราเป็น เงินเป็นทองเราสอนให้หลงก็ได้ประโยชน์ผู้ชี้สอนให้รู้เนี่ยแม่นั่งพูดอยู่เนี่ยมาพากันนอนหลับไม่ตั้งใจฟังแต่ถ้าไปเสียงเพลงตั้งใยฟังดูหนังจั้งใจดูตลอดขึ้นเวลามีพมีเนีม่ในผู้บอกมักอยากฟังมันไปกันอย่างนั้นเพรมันหลงมากแล้วเวลาครูสอนโดด ท้องเรียนเรื่อยสอนคนหนึ่งลูกไปห้องนั่งกับลูกไปดานกันแต่ท่านครูสอนวิชาที่น่าสนใจง่าตั้งใจฟังมันก็ไม่มีความรู้มันหิ้วไปโนนหวอมหลงมันหิ้วไปพาไปง่ายเล่นง่ายเอาใจมาศึกษามันยากตัวนกเฉร็จติ้งต่างกัน เดยฟังสินเดียวกันแต่ไม่รู้สวามรู้คนที่ติดตั้งเลยฟังเขาได้สวามรูกก็าได้ประโยชน์เรียนมาเปนเจ้าตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัว 4, ี่ตัวห้าตัวหกปะถมเรียนชั่นปะถมชช่นปะถมก้าหน้าวิชาดีสาให้สู่มัธยมได้มัธยมเกยไปจูอุดมง่ายเรียบไปเลย เดินเข้าม่องได้ได้อย่างสบายถ้าคนนั้นมีความรู้ก็ดันะะไได้ยาไปเมื่อนามันจะมองไม่ดีเพราะไม่ฝึกเงนินเมื่อ น, นั้นจะมีสติเอาไว้สอนกายสอนใจพากายกลับบ้านพาใจกลับบ้านให้รู้จักตัวนั่นแล้ คิดสิงได้รู้สึกตัวผู้สิ่งใดรู้สึกตัวทำสจ่งใดรู้สึกตัวเดี๋ยวว่าให้สติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจอย่าให้ความหลงของโกรธเป็นเจ้าของกาของใจความทุกเป็นเจ้าของกายของใจตามตามความหลงตามตามความโกรธตามตามความทุกข์ เขียเขี่ยวความงงเขี่ยเขี่ยวความโกรเจีบยเจี่ ย, วยวความทุกข์คนอื่นก็เดือดร้อนสิ่งอื่นก็เดือดร้อนนี่คือธรรมะถูกจนสอนตนมีข้อว่าชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งมนะาสิทธิ์การจ่า ให้กาเจอได้มีประโยชน์ไปใช่ไปใช้ไปตลอดชีดนานๆเป็นตัเด็กชึกเนนมน้อยจะต้จงมีสติปัญญาไปใช้ไปนานๆก็ฝึกดีๆกับเนื้อสารเกิดใจ เ, จ เ, จเจตายา เราต้องทุกข์กคองทุกข์ตัวนี้รับใช่ความทุกข์หับใช่ความโกรธหับใช่ความโลภหลับใช่ความหลงหับใช่เหลือตัณหาหลาคาสึ่งแวดล้อมก็ไม่ค่อยจะดียินหวมหวอมหวอมจอ บ, อบ่อกหาชาบิเลยมาไปใช้การใดว่าลูกเอไว้กินเสียงเอาไว้กิน นะกินนะผู้กินกายผมว่าเราเคยกินเท่าไหร่ส่วที่ชื่อไว้กายกินกายทั้งวันหนักส่วชั่วผู้ยิ น, นดวตหาเหงินได้ผู้ชื่อบุรีมาถูกบุรีไม่ใช่อาหารนี่จะทุกข์จะโทษหาเหงินได้ผูชื่อเหล้ากินเหล้าไม่ใช่อาหารตายนม่ได้กินเลย ก็นู้ทํา ง, งานเหนื่อยหลายขย่อยแต่เมื่อได้กินอาหารเอาได้ถ้าข้าเลืองอันเด่นเอาไปกินหมดมันจะเหลืออะไรกินหว่องหวงหวอ ง, วอ ง, วอ ง, วองจอกพอุบราณท่านว่าทํา ง, งานได้มากก็คืออาหารมาชินอาหารกิน แล้ประโยชน์นมประโยชน์ทั้เงินชื่ออาหารทีกินหมดเงินสามบาทชื่อปลาทูวาแจ้งใข่ผักที่กินทั้งพอทั้งแมน่ทั้งลูกทั้งเต่าตัวเราไปเชื่อเล่ากิจนแต่เราคนเดียวมันก็ไม่คบวงจรเป็นคนโกง กงสมาชในครอบครัวชุดเฉลิฐในครอบครัวลูกในน้อยตจงไปโรงเรียนมันไม่เรียนไปเล่นชุดเฉลิฐในครอบครัวพ่อแม่พ่อแม่อุดจงอุดสาเสียเลยลำเวลาให้เรียนไม่ทําไรทำดาไปเล่นทเทียวเล่นที่เกียรติที่ข้านหุงข้าวมาจนนึ่งข้ามาจ น, น, าานตามน้าพริกใมาจน นี่แต่คับเม่ใช้เล่นซึงก็เลยไม่มีประโยชน์ไม่โยงจรที่เป็นเรื่องดีถ้าทำด mm ีมีสติสึกใจสุใจิตือทั้งหมดเป็นงงจรเศรษฐกิจดีถังของดีสุขภาพดีละเอียบวินัยดีจิตวินญาณดี เรามีจิตวิญญาณชีวิตเนี่ยจิตวิญญาณนสำคัญการ น, นีจจ์ใจเป็นจิตวิญญาณอาชีพจิตวิญญาณแล้วอาชีพที่จะทำมาหาจินวิชาหาจูหาจินบ้างรู้ฝักฉันไหม เป็นเมื่อเจ้ามีก้าหลังยามมีอะไรของจริงทำเป็นไหมมีแต่ซื่อจิงอาชีพไมิจดคธรามะจรินสุจริตการงานชอบสุขภาพบมิจาครักษาอะไรสุขภาพ ทางกายทางาย้งใเลือกเป็นทุกวันนี้มีแต่โทษเรื่องสุขภาพท้งอาหารอากาศมีแต่ภัยทางน้นต้องมาช่วยกันเศรษฐกิจสุขภาพเราไม่เราหวังหาอยู่การเิ น, นทุกวันนี้ เห้เจะลดโดชาบไม่ได้การได้ยินการได้ฟังมย่างนี้จะติจติพาให้จิตกลับบ้านไม่ดื้อถ้าเราไม่ฟึ้คิดนี่โอ๊ยรทุกอย่างมัคิดจะคิดไรก็ไ ด, ดาจิตนีงไงไม่ได้นะมันจะทุกข์จนมันจะดื้อด้านด้าน ดื่อก็ไม่พอพอสอนหนบอยกด้านเราสอนมาได้เลยไปล้ห ว, วันนีเราอยู่ที่นี่ตั้งต้นกันยังไงเหตุเช่นสถานไหนเราเนี่ยธรรมบัญลายมีเกณ์ที่วัดบ้างไหมอะไรโดยเฉพาะมาบวชนีอะไรฝึกกันไร บวชกี่ไรละความชั่วกีเลยทำคนดีกี่ไรคิดบริสุทธิ์ทอย่างไรหรือห่มผ้าเหลืองเฉยๆาั้นช่แล้วบวชคือละความชั่วมันชิดชั่วก็รู้ตัวมันชิดุก็รู้สิตัวคิดทุกข์็รู้สิตัวรู้สิตัวความรู้สิตัวนี่ามชั่วแล้วงมันิดนะสอนเสรจแล้ว คิดไปรู้เชกตัวเนี่ยหลักความชั่วทำความดีแล้วรู้เชกตัวหน้อยสอนจิตแล้วมันจะกลัวคนนั่นจะรักคนนี้รู้เชกตัวแล้วสอนจิตแล้วหลักความชั่วแล้วไม่เคยไปเอาคนนั่นดีคนนี้ไปดีดีของเขาชั่วของเขาจงมอง จดีโดยฝ่าเดียวมองแง่ดีโดยฝ่าเดียวดวงคนชั่วอย่าไปดูเขาเลยแต่ห้่นคนมีดีโดยคนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหานักเพื่อนเลยหวนเที่ยวหาหมอดตาเปล่าเลยผู้ใกลเคยมองจะดีในคุณจริงมองคนมองคนเชั่วของเขา เจ้เรามีเชิดเสาไม้เขียนข้ามเส้นสื่อแต่โดยมองตนหลังมองตนดันกระจกสองเงาแล้วก็ะจกเราจะแต่หน้าแต่ตาเหมือนกระจกเรามองไปข้างหน้าแต่มันมัาสะท้อนถึงเราเหมือนกระจกเงาเพื่อแต่หน้าแต่ตาและสะเห็นตัวเรามองคนเห็นชั่วเรามีชั่วเหมือนเสาไม้ มองคนงดีเราไม่ดีเหมือนเขาหมายมาแต่งตัวเองบัณฑิตต้องสอนตัวเองคนทานต้องสอนคนอื่นชี้โทษคนอื่นบัณฑิตต้องชี้โทษตนเอ ง, องเสมอมองปแต่หน้าจะมาเห็นตัวเราเตือนเราคนอื่นเนินทาเราระวังเราดูเชะเหมือนเขานินท่าหมายอย่าไปฟังเขาว่านะไปโกรธถ้าดบีบโกรธไม่ได้ อาจจะอาจจะได้ประโยชน์ความติดขี่เน้นาตาความชี่โทษคนอื่นจะเป็นประโยชน์ต่อเราเหมือนเขาชี้ความชั่ให้เราการลองามาเข้าใจมกักโตดธจ้ะมางทีโกรธพ่อแม่พ่อแม่บอกเกาโกรธถาว่าพ่อแม่ดา่าโกรธบ้านหนีแต่นี่ที่จริงมันเป็นความรัก ส่วนลูกต้องมัเข้าใจส่วนั่นเราไม่ดีเ้าก็มองเราจริงจไม่ดีมือนเขาหมายที่เขาว่าถ้าเราไม่ีเหมือนเขาว่านล้รีบแจ้งสายขอบคุณนายจ่ายขอบคุณขอบคุณนายจ่ายได้สติเป็น์มาได้รู้สตวเป็น์มาถ้าหากว่ามันไม่ดี มี่ไม่เหมือนเขาว่าเราไม่ทำเหมือนเขาว่าเราก็ขอบคุณเขาได้ขอบคุณเขาได้ถ้าเขเใจผิดไปก็ขอบคุณเขาที่เขาว่าอย่นั้นก็ไม่ต้องโกรธเขาก็ได้ขอบคุณไ ด, ด้ทั้งสองอย่างถ้าเขาว่าไม่ดีก็เสียใจถ้าเขาไม่ ว, ว่าดีก็ดีใจมันม่ใชัอย่านั้น มันใช่คนอื่นหิ้วไปป่อให้นสนุกสนุกไทุกคนอื่นเอาคิดไปห้อยไิเฉนกับคนอื่นขอเนินทาก็เสียใจขอชนะเสินก็ดีใจมันใช่อย่างนั้นนะโลกเนี่ยถ้าเยื่อเนี่ก็ไม่มีที่อยู่แล้วเราต้องมั่นคงมีสติเป็นที่เพื่อไหว้กัดสอนสอนตน เถือนตนแค่ไข่ตนมีสติจะอยู่เป็นสุขจะขไม่แค่ไข่ตนไม่เถือนตนไม่มีสติแล้วก็จะปลิวอยู่เช่นนั้นจิตใจเหมือนนุ่นปลิวง่ายจิตใจเหมือนเข้าลีบพอจะปลิวไปตามอารมเวลาลมพัดก็ปลิวไปถ้าเราฝึกมีสติก็จะจิตเหมือนตอนหิน ไม่ต <c oughs> ิวไ <c oughs> <c oughs> ่วันเห็นก็จิตหละจิหละทุสิสสิเรสิหละสิหลสิหละจิตสิหละสหลก่อนเห็นผู้ใดมีจิตเหมือนก้อนเห็นผู้นั้นไม่มีสิ่งผู้ใดมีจิตเหมือนนู้นนั้นไม่มีสิ่งแม้จะห่มผ้าจีวรคนผมว่าไม่มีสิ่ ไมใช่ศิลไม่ใช่สำน้าอ้างตนว่าเป็นสำน้าอา่ใช่ผู้เป็นนักปวดอ้างตนว่าเป็นนักบวดเป็นคนเน่าในเกียกแฉเหมือนบ่อเทขยะม้วนปอยบกเป็นซ่อนเล่นหมาชี้เดือนงูเพื่อนคูดวัมือถือสอกหล่าถือจิ้นหัวใจนั่นอยู่ใจอ้วนจิ้นหมาสมบัติ เราเจงสุดต้นสอนตนไม่ดีดีที่หูก็ฟังนี่ตาก็ดูบวังอยากไปโดยสอนดูเอาคนดีคนชั่วอย่างไงดูออกมิเชั่วมิตีอย่างไงฟังออกก็ชวนไปทางเน้นก็ชวนไปทางเก็บหายรู้จักว่าเมิตรได้ดีแต่ห้ามไม่ทําชั่วให้ทํำความดีพากลับบ้าน ข น, นมิแท้สวนทุกในโลกนี้มันมีมิแท้มิเทียมผลเทียมมิดมีดเยอะแยะคิปปอบลอกไม่เห็นประโยชน์คราเพิ้นจะเอาประโยชน์อันนี้ก็มีหลอกลวงก็เพื่อจะได้ประโยชน์แต่จึงนำบัตรร า, างในโลกนี้ไม่ได้ปูไว้ผมเสมอไปถูกข่าว เราต้องระมัดระวังในตัวเราก็มีขึในชีวเราก็มีที่ปฏิบัติธรรมก็ไปเจอภูเขาขวางง่วงเมาหอนอนนี่หวงกันไปรู้จ่งตัวเวลาทำาตองง่วงเวลานังเสงง่วงเวลานั่งดูหนังฟังเพลงไม่ง่วง นั่นเป็นคุณงส่ขวางกันให้ได้เกิดพนามความดีขวางมือหงอหอนสอนละเลวสงสัยสอนคิดท้ง่งช่อนโอ้เนี่ยสังเกขวงกันจิตให้บรรลุพ น, นามความดีอย่าท้อถอยพันทาไปรู้จดตัวรู้สึดตั ว, ตวหัดตนสอนต้นอ่แล้วัอนต่อก็ไม่ยู่งเกี่ยวนะอ่ะตราบพระพ่อหนึ่ง